ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงประโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องสัมมาวามะในช่วงที่เป็นสังเวชประธานและปะานนัประธานคือการป้องกันบาปและการละ บ, บาปหรือเราพูดง่ายๆว่าป้องกันบําบัด ในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นอันตรายเป็นโทษทั้งหลายไปยายที่จำแนกแสดงไว้ก็พิจารณาเนี่ยก็ถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วหลักการในทางพระพุทธศาสนาก็คือการละบาปมันเป็นบุญพาะะ น, น่วงป้องกันกับการบําบัดก็คือช่วงของการลาบบาป เป็นการป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดกับละาบาปที่เกิดขึ้นแล้วต่อไปจะพูดถึงสมาวัมมะในช่วงที่สามตรงใช้คำว่าภาวนาประฐานคือเป็นความเพียรพยายามที่จะเพิ่มพูนบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลโดยละการโครงสร้าง ของคำสอนทรงใช้คำเหมือนกันว่าให้บุคคลปลุกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องในการเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดจ้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ให้เพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นเมื่อทำได้ระดับใดก็รักษาคุณภาพจิตไว้ในระดับนั้นแล้วก็พยายามต่อไป จิตเหมือนกับสนามรบที่ต้องต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมะผลการลุกด้วยธรรมะก็คืออย่าให้ถึงก็ร่นคือยังน้อยก็ต้องตั้งรับไปให้ได้หรือบางครั้งมีกำลังระดับหนึ่งก็ลุกเท่าที่ลุกไปได้แต่ช่วงใดที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็ ถึงขั้นที่เรียกว่ารบแตกหักกันได้คุทรงอธิบายไว้ในแนวของการต่อสู้เพราะจริงๆแล้วภายในใจเรามันก็ชักเขยื้กันอยู่นะระวางกิเลส ก, กับธรรมะระวังความเพียรกับความเกียจคร้านระหว่างความเชื่อกับความไม่เชื่อระว่ังสติกับความเผลอเรอระหว่างสมาธิกับความพุ่งสัน้นระว่างปัญญากับความรู้เนี่ยไม่ใช่ระว่างปัญญากับโมหะเนี่ย มันก็ต่อสู้กันอยู่ภในใจิตใจว่าแม้ตัวภาวานานี่คือตัวหลักเพราะถ้าเรามองโดยโครงสร้างของอนิยสศ ท, ยทั้งสี่ประการที่ทรงแสดงไว้โดยสรุปปริยายหนึ่งมาดูก่อนภิสูุนทั้งหลายทํสองประการควรกาหนดรูปคือนามหนึ่งรูปหนึ่งทํสองประการควรละ คือวิชาหนึ่งเพราะว่าธนหานึ่งทำสองประการควรทำให้แจ้งคือวิชาหนึ่งวิมุตติหนึ่ ง, นนงก็เป็นผลที่เกิดขึ้นภายในจิตจากการละบาปบำเพ็ญบุญมันก็เป็นเพียงเป้านะครใครๆกินข้าวอิ่มก็อิ่มก็คืออิ่มอิ่มมันเป็นผลมาจากการกินเท่านั้นเอง ม่อิ่มเสร็จมันก็จบกริยาการกินไปดูดภารกริจการงานอย่างอื่นก็ว่ากันต่อไปแล้วทำสองประการควรเจริญคือพวกกุศลธรรมส่วนหตุทั้งหลายนะครับระหว่างอจะสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้ในที่นี้ทรงใช้คำว่าสมถวิปัฒนาบางครั้งทรงใช้คำว่าปัญญาสาระ สีละสาระจิตสาระปัญญาสาระวิมุติสาระวิมุติญาณทัศนะ์ทันทัศน์สาระเป็นต้นก็ น, นั้นก็คือเป็นปริยายแห่งธรรมที่กล่าวโดยสรุปก็คือการเพิ่มพูนกุศลขึ้นซึ่งเป็นตัวหลักในอรา ศ, า ศ, า ศ, า ศ, าศาสร์ทั้งสี่ประการเพราะตรงนี้คือตัวมรคนมรกแต่มันเหมือนกับเรากินอาหาร อาหารท่าับประทานเข้าไปก็ทําหน้าที่ของเขารวดเดียวเครื่อหารมันก็พร่องลงไปเหตุใด้หิวลดลงความหิวลดลงความอิ่มเพิ่มขึ้นเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นพออิ่มเต็มที่ความเหตุให้หิวก็หมดไปเต็มที่ความหิวก็หมดไปเต็มที่เรี่ยวแรงก็เกิดขึ้นเต็มที่โดยทําเพียงอย่างเดียวก็คือกินอาหาร ันประเด็นนี้จะก็ใครจะนำาเสนอไปหลายวันหน่อยไปนํานำไปศึกษาธรรมะในแง่มุมต่างๆเพราะว่าแม้เราจะพูดโดยประยายอื่นมันก็คืออยู่ในตรงนี้อยู่ที่ภาวนาประธา น, น, นจะเป็นหลักในชั้นแรกจะพูดเรื่องจันรถึงพระตนะไตร ถึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็จริงแล้วเราก็ไม่เคยเข้าถึงเนื้อหาสาระกันเท่าไหร่อย่างตัวอย่างวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของสอบสสอคือพวกตัวนักปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเขาต้องการจะสร้างคนเก่งคนดี คนมีความสุขามาฟังครั้งแรกเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วเราก็ดีใจนะป ร, ะกรากฏเราคิดไม่ตรงกันคือความหมายของคำว่าเก่งคำว่าดีคาว่ามีความสุขเนะี่ยเราเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็พยายามถามไม่อธิบายเนื้อหาที่เป็นองค์ธรรม ก็ยังไม่เจอคนอธิบายแลวพอดีวันก่อนไปไประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการปรากฏว่เาเข้าใจไม่ค่อยตรงกันเท่าไรแต่ก็มีบางส่วนก็ตรงกันจุมาเองมองเห็นว่าเก่งก็คือปัญญาคนเรายิ่งเก่งเท่าไหร่แสดงปัญญามาก ที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถมีไหวพริบปฏิภาณมันเป็นอาการของปัญญาทั้งนั้นทีนี้ตัวตัวเก่งเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยมันทำลายโมหะเมื่อโมหะมันลดโลภะก็ลดโทสะ ก, ก็ลดกิเลสประเภทต่างๆที่ชื่อยังไงก็ตามก็ตก้ตองลดก็แสดงว่าคนนั้นก็เป็นคนดีคือไม่รู้อำนาจเกียกิเลสไม่ใช่อารมณ์ คนที่มีความสุขก็คือคนที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความเป็นมิตรเน่ยรอบตัวเรานี่มีแต่เพื่อนฝูงมีแต่มิตรสหายมีมีแต่ผู้ที่เราเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตามทุ่มควนแก่กันนี่เราก็อยู่ร่วมกันดื่อได้ยังมีความสุขการพัตนาไปก็คือการพยายามปฏิบัติพัฒนาตนเองให้ ประคุณของพระรัณนารัยในสูงขึ้นคือมีปัญญาสูงขึ้นมีความบริสุทธิ์สูงขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นอาณาคามิพงท่านหนึ่งได้กราบทูลพระพุทธเจ้าต่อพระพักเป็นการเล่าจากประสบการณ์ตรงของท่าน ว่าคนตั้งหลายเราใดเราหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกเถิดคนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อภ า, ายเลยเขาลากายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏมันก็แสดงให้เห็นว่าในการปฏิบัติพัฒนาจิตของตนเองเนี่ย ขอเพียงเริ่มต้นโดยการถึงปรัตนาไกรอย่างถูกต้องสักระดับหนึ่งแม้ด้วยการทำใจเรื่องใส่เนี่ยสามารถปิดประตูนรกได้เปิดประตูสวรรค์ได้อย่างเรื่องมัทธะกุณฑลีเทพบุตรที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาโปรด แต่ว่าตอนนั้นท่านป่วยหนักแม้จะยกมือถวายบังคมก็ยกไม่ได้ก็ทำได้เพียงแต่ทำใจเรื่อใสในพระพุทธเจา้าแล้วก็ตายไปด้วยใจที่เรื่อมใสก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือว่าหญิงชัยราท่านหนึ่งกำลังป่วยหนักยืนงอเงิง่อๆจะล้มไม่ล้มหลย โมกขลนะก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กสิบบอกบอกยายนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จพุทธะเนิรไปยายทําใจเรื่มใส่จียายก็เชื่อนะฮะยกมือขึ้นปนมทําใจเรื่มใสย่ยังไม่ได้ทาอะไรหรอกไม่ได้พุทธังสนงังกระจามิอะไรก็ตายล้มลงตายตรงกลางถนนนั่นเองแต่ว่าไปบังเกิดเป็นเทพธิดา มันเป็นการย้ายจากกระตออไปอยู่ปราสาสตเพราะหลักการตรงนี้จึงถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานเบื้องตน้นที่จะนำจิตคนเข้าไปสู่การถึงพระบุตรเจ้าถึงใจสนาคมถึงลักษณะถึงเนี่ยถ้าเราลองสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เราพูดว่าถึงถึงบ้านถึงห้อง ถึงห้องน้ำถึงสถานที่ราชการถึงวัดอะไรเนี่ยคือจะเห็นว่าเราต้องไปอยู่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่สงน้นเสก่อนเราจึงพูดว่าถึงได้ถ้ายังไม่เข้าอยู่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็เรียกว่าใกลเราไม่เรียกว่าถึงแต่ว่าการถึงปรัตนาใรโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับโลกยะสระนาคม คือทานถึงแบบสาธุชนทั่วๆไปเนี่ยที่เราถึงกันอยู่ในทุกวันเนี่ยนะท่านจำแนกไว้ในอัตถกถาสามัญญผลสูตรในทีคณิกยนะครับเราจำแนกไว้เป็นสมระดับด้วยกันระดับแรกเป็นการถึงประรัตนาไตรแบบยอมมอบ ก, กายถวายชีวิตต่อประรัตนาไตร พวนี้นะพูดได้มากแต่ว่าทําได้น้อยนั้นก็เหมือนกับที่เราทําวัดเย็นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เคยทําวัดเย็นของนึกออกว่าในข้อความทำวัดเย็นเนี่ยมีอยู่สองช่วงที่สาหัสสากันมากช่วงแรกเนี่ยบอกว่าบุทฐานสาหัสสมิดาโซวะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระผู้พระพุทธเจ้าประทำประสงค์เหมือนกันนะใช้คาเหมือนกัน พุโทโธเมซ่ามิกิสโรพระพุทธเจ้าเป็นนายเหนือข้าพเจ้าพระธรรมประสงค์เข้าเมือนกันแล้วบอกในช่วงหลังว่าบุทษฏสังนิยเดมิสริรัญยิบิตรันที่ดังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งศีระแด่พระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นี่เรียกว่าถึงแบบมอบกายถวายชีวิตแต่เราทําแบบพิธีกรรม คือเราสังเกตว่าพิธีกรรมธรรมะเช้าเย็นเนี่ยที่จริงมันมีลักษณะคขอนไปทางพิติกรรมมันเป็นรูปแบบที่ไม่ได้เจตนาอะไรเท่าไหร่คือถ้าเรามองให้ดีถ้าทำได้มันก็ดีไปถ้าทำไม่ได้มันโกหกตอบ ร, รัตนาใจนะโอกทุกวันด้วยนะคนขยันธรรัดเช้าเย็นแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามนั้นก็แสดงว่าโกหกตรบรัตนาใจทุกวัน การถึงแบบมโหกายถวายชีวิตเนี่ยที่ทำได้จริงๆเนี่ยตั้งตั้งแต่ประโสดดบันขึ้นไปนะคือคนที่เป็นประโสวดบันเนี่ยแม้จะฆ่าท่านให้ตายนะให้ปฏิเสธพระตันไส่เนี่ยท่านไม่ปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นทนัญชานีพราบมณีสามีเขาคือพระรัตวาชาพราบนะครับ ก็นับถือชีป่ปลยพวกนี้คอุอพวกพร์พวกพระ ก, ก็วันหนึ่งก็เชิญพรหา ม, มาทานอาหารที่บ้านเกิอนางธนานีพระมณีในฐานะเป็นแม่บ้านก็ต้องดูแลใจใสนะแขกของสามีถึงตัวเองจะนับถือหรือไม่นับถือก็ตามแต่ว่าท่านมีปกติวิสัยอย่างหนึ่ง เวลาท่านเผอท่านพลาดท่านอะไรเนี่ยท่านจะอจะจามในท่านว่านโมตัสสะระพุทธองคตอรัตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกทีนี่เป็นนิสัยจะมีแล้่ก็สั่งบอกว่าพรุ่งนี้เี้ยงพรามนี่ยเตออย่าเปกล่าวนมัสการต่รอพระสมณะโคดมตรอหน้าพวกพรามนาพราม์ก็ไม่ชอบเนีท่านก็บอกว่า ก็คงจะห้ามตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะแต่พยายามนะนั่นเองแต่ผลสุดท้ายนี่ท่านเดินสะดุดพอสะดุดก็เซไปนะก็ออนโมตระเลยพรามโกรธก็ลุกขึ้นก็ต่อว่าสามีซึ่งเป็นลูกศิษย์ ต, ตัวเองอ่ะแล้วก็ดา่าทนท่านัานชานีราหมั น, นีแล้วก็ยกพวกกลับไมย่ยองกินข้าว สแสดงว่าพวกพราหมณ์ในขี้โกรธไม่เบานะนักนักนักบวชพระนี่อย่างนี้คํำขันที่เราอ่านนะเราคําันว่าเอ๊ะทำไมท่านเป็นนักปวดทาไมท่านเป็นเราขนาดนั้นพราหมณ์ก็โกรธจนไม่รู้จะทํำยังไงชักดาบขึ้นใบสุฟันปัญญานางธนัญจาตนียก็บอกว่าท่านก็ฆ่าได้เฉพาะร่างกายครัพี่เจ้า การฆ่าจิตใจที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้าของขันไม่ได้หรอกพระพุทธ้าไม่จะทำํำยังไงแล้วก็ไปฟาดพระพุทธเจ้าไปตั้งปัญหาถามกระทบพระพุทธเจ้าอย่างที่เราเคยได้ยินนั่นะว่าฆ่าอะไรจึงไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรจะด้จะนอนเป็นสุขพระเจ้าบอกฆ่าความโกรธสะได้ก็ไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธจะได้ก็นอนเป็นสุข แล้วก็ทรงแสดงต่อไปก่อนนั่นที่สุขก็ได้ออกบวชน้คนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะนับถือระดับนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีน้อยแมต่การเกิดขึ้นวิกฤตการต่างๆที่เกิดขึ้นกับศาสนาเนี่ยเราลองสังเกตว่าพระเนรในบ้านเ็มเมืองเนี่ยมีทั้กี่องค์ที่แสดงออกมาลักษณะที่จะปกป้องรักษาพระศาสนาเนี่ยคือเป็น เรื่องที่พูดยากพูดง่ายน่ะทำยากเพราะว่าเอาไปจริงแล้วคนเราก็ยังนึกถึงตัวเองแต่ถ้าเรงงามองถึงคำปฏิญาณดังกล่าวเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ได้เป็นเราแล้วนะเป็นของสมบัติของพระพุทธเจ้าหมดแล้วเราถวายแก่พระรัณฑ์ใจหมดแล้ว พัทธะสังห์นิยาเดมิสริรั ญ, ญยีวิตัญยดังเนี่ยเข้าไปเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งศีรษะแด่พระคุเจ้าประรรมประโสนิมันก็จบแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรแล้วจึงบวชมานานาๆอย่างอาตมาในร่างกายก็ผิดไปหลายชุดแล้วเปลี่ยนไปหลายชุดแล้วเปลี่ยนข้าวปลาอาหารให้ญาติโยมเขาบริจาคถวายทั้งนั้นนแล้วเราก็เปลี่ยนไปหลายชุดนะเขาบอกว่าเจ็ดเจ็ดปีเปลี่ยนชุดถึง นี่ก็บวชมาหลายปีแล้วเปลี่ยนไปนหลายชุดแล้วเรืงการถึงในลักษณะนี้ถือว่าเด็ดเดียวแต่ว่าสภาพจิตนี้ต้องสูงนะขึ้นถึงประโสดับันถ้าสามัญชนแล้วจะทำได้ไม่เท่าไหร่คือจะอาจจะผ่านกานทดสอบไม่ได้ระการต่อไปนั้นท่านบอกว่าถึงระตาใจโดยยกย่องคุณรตัตนาใจไว้ในเบื้องหน้า และนี่ก็ถึงพอสมควรคือให้ความสำคัญแก่ประรัตนณ์นัยไเช่นสมมติเราพูดปัญหาถกเฉียงเรื่องธรรมะ ก, ก, รการวรรก่อนก็ตั้งข้อสังเกตให้พวกเจ้าหน้าที่กรมมิชฉาการเกี่มาปรึกษาเรื่องหลักสูตรนะฮะเรามาบอกว่ามันหลักสูตรพระพุทธศาสนาเนี่ยก็อยากให้ตั้งกรรมการกลางขึ้นมาเขียนแล้วให้เรียนเหมือนกันทุกตัวอักษรทั่วประเทศ มันไม่ใช่ใเขตพื้นที่การศาต่างคนต่างเขียนเอาเพราะถ้าอย่างนั้นเราจะยุ่งเพราะว่าศาสนาในตัวการหลักของศาสนาเนี่ยคือความเห็นตรงกันการปฏิบัติต้องตรงกั น, กกนในจริงจะคงความเป็นศาสนาไว้ได้สํานวนบาลีเขาเรียกว่าสีรักษามั ญ, ญาตากทิตติสามัญญาตาเวลาเนี้ยมันไปยกย่องอาจารย์ตัวเองขึ้นมาเยอะๆไปหมดเลยโดยไม่ได้สนใจพระเจ้าว่าอย่างไง ทีนี้ถ้การให้ความต้องการแก่พระตาลใจไว้เป็นเรื่องหน้าเนี่ยคนอ่นว่ายัางไงก็คือคนอื่นนะแต่ปัญห า, าเรื่องนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไงแล้วมันมีแสดงไว้แล้วด้วยบางทีเราอาจจะไม่พบนะฮะเราอาจจะค้นคว้าหากันแต่ว่าหาแล้วจะเจอคือคือขอให้ได้ยิ น, นะ เ, น เ, เ, เนี่ยนะเราจะนึกออกเป็นเราๆเนี่ยวันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเราก็ไปทุบทวดเอาใหม่ อย่างเวียเนี้ยพวกพระที่เขาใช้พวกคอมพิวเตอร์เป็นนี่ยนะคอมพิวเตอร์ประจัยบิดกดของข้าคอมพิวเตอร์หมดแล้วตอนเนี้ยตอกถารอะไรแต่ไหนก็โกดขึ้นมาหาได้ในเวลาที่รวดเร็วเพื่อให้ความสําคัญแก่พระตัณฑ์ใจไว้เป็นเบื้องหน้าอะไรก็ต้องนึกถึงพระนตนณฑ์ใและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือการเผยแผ่ทําการปฏิบัติทำกันเรียนทำเนี่ยต้องยุติด้วยหลักการที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ คือถ้าเรามีความมั่นใจในความภาคภูมิใจว่าพระบรมครูเรานั้นจะรู้นะครูในโลกนี้ไม่มีใครจะรู้จะคนหนึ่งความรู้ก็แข่งไปแข่งมาของพระเจ้าว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นนหละไม่เคยมีเปลี่ยนเลยชาติปีดุขาชาลาปีดุข า, า, ขามานำปีดุขังก็ ก, ก, ก็ก็ทุกอย่างอย่างนั้นเนี่ยชาติความเกิดก็เป็นทุกชาติความแก่เว้นทุกมรณนะความตายก็เป็นทุกก็เป็นทุกอย่างนั้น แล้วกล่าวโดยสรุปคือจิตที่ไปยึดมั่นหรือมั่นนั่นเองเป็นตัวความทุกข์เราก็ให้ความตระการแก่ป ร, รัตตนาใจเป็นเบื้องหน้าทีนี้คนบางคนเนี่ยมันเครียดถึงป ร, รัตตราใจด้วยถวายตัวเป็นสิทธิ์อย่างในสังคมอารยันในทุกวันเนี่ยแต่ประเทศอินเดียในทุกวันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเยอะนะ ในระดับที่เรียกว่าเป็นสิทธ์คือไม่ค่อยแสดงต่อเนื่องเช่นพวกอาจารย์ตารมาวิทยาลัไรที่มาเคยไปเรียนมาคือบางทีจะเจอกันที่ข้างถนนแล้วท่านมองซ้ายมองขวาไม่เห็นเด็กแขกนะท่านยกมือไหว้เรียบร้อยแลวเข้ามาไหว้เลยจะเจอกันในชั้นเรียนในห้องเรียน น, นี่น่าไม่ไหว บางทีก็ค้งข้มือมนิดหน่อยคือกลัวว่าเด็กจะรู้ว่าท่านนับถือพุทธปัหาเรื่องศาสนาในอินเดียเนี่ยมันค่อนข้างเปราะบางแต่ก็พยญาณตนเป็นสิทธิ์ยอมรับนับถือพระรัตนาไกรยีเนี้นหนึ่งอาจจะอ่อนลงมาหน่อยคือกราบไหว้บางทีก็อาจจะเป็นสัญญาณอย่างพรามณคนหนึ่งเนี่ย ถ้าตาท่านใหญ่แล้วบริวารท่านมากแล้วพวกส่วนใหญ่มันเป็นพรามณ์ตาท่านก็มีสัญญาณวันถ้าเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยถ้าท่านพกขัวอยู่ท่านก็ลดผ้าโปกท่านั่งอยู่ในยานเนี่ยท่านก็ลงจากยาเ๋ยันไม่ถึงก็ไปกราบไปไหว้อะไรอะแต่ว่าแสดงสัญญาณท่านกั้นร่มก็จะลดร่มถ้าพกผ้าก็พดพดพดโป๊กท่านั่งบนยาเนก็ลดตรงยาน แต่เดินในทางนะฮะก็ลงข้างทางก็แสดงเป็นความขรุขระแต่เยาเยยลือมาตัวเนี้ยมันลดมานะคือความกระด้างความถือตัวการยกตนขมท่านการตีเสมออะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยมนสร้างมิสัใสที่อ่อนโยนประนีแต่บางเกิดขึ้นไปในใจเราถึงได้ขนาดนี้ก็ชื่อว่า เป็นการถึงพรัตนาไตรที่ประวางใจตัวเองได้พอสมควรแต่ว่าทำอย่างไรว่าทำไม่ได้นั่นก็คือการพยายามสัมผัสกุณของพระพุทธเจ้าให้มีปัญญาที่ลดละกิเลสได้ให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์สูงขึ้นมากน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็ให้มีความเมตตากรุณา ต, ต่อสรรพสัตว์มันก็ที่จริงก็แสดงกันนะฮนะคือถ้ามีปัญญาก็ต้องบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็แสดงไม่มีปัญญาแล้วนั่นเองทีนี้การที่มีปัญญามีความบริสุทธิ์มันก็ต้องมีโลกทัศน์ที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่มองโลกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรต่อะไรเนี คือที่จริงบ้านเราเนะี่ยยังยังยังต้องคิดแก้ไขอะไรกันอีเกเยอะเพรความเป็นเราเป็นเขามันมีมากเลยเก่งยังนึกว่าทํำยังไงนามันมีกฎหมายขึ้นมาสักฉบับหนึ่งนะวัดเี่ถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นศาสนสถานเป็นสาธารณสถา น, น, าาถานแล้วก็เป็นบุญยสถานที่สามารถใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน นะเช่นสมมติวัวดกอในมีหอประชุมใหญ่อยู่เนี่ยวัดอื่นต้องสามารถใช้ได้ด้วยอาต่ะมาถึงปีหนึ่งเนี่ยเช่นสมมติเในกรทมเนี่ยมาดูมีวัดอะไรที่มีอะไรอะไรแถนี้นะใครจะมีกิจกรรมอะไรวัดไหนมีกิจกรรมอะไรก็บอกทําเป็นตารางร่วมกันเนยลยตารางใช้สอยอาคารรวมต่างๆเนี่ย เราจะแก้ไขอะไรได้เยอะนะฮะเช่นปัญหาเรื่องขาดครูสอนป ร, ปรัญรรหาเรื่องไม่มีที่เรียนอะไรแต่ไรเนี่ยถ้าเราลดอัตราลงไปพวกเราพวกเขาวัดเราวัดเข า, าเป็นตัวกูของกูอย่างที่หลวงพ่อพุท ธ, ธราชว่าลดลงไปได้เนี่ยปัญหาต่างๆนี้แก้ได้เพียเดียวเองเนีกิเลสมันไม่ลดเนี่ยหรือมันยุ่งไม่รู้เรื่องอย่างเนี่ยลดกิเลสลงไปได้เนี่ยตัวกูของกูลดลงไปหน่อย ให้เป็นวัดเนี่ยเราก็อาศัยวัดน่ะเราเป็นผู้อาศัยวัดกันนั้นเราจะแก้ปัญหาได้เยอะต้องฝังท่าหลายแต่โรวงพ่ทิยายในวันนี้ขอยุดติไว้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี